ปวดถามปวดมั้ยปวดไหมหรือวปอดอดวอดไหมนอนถุงโ <laughs> ปง้งส่วนขาเนี่ยอกไวแต่ส่วนท้างบนเนี่ยยังวิ่งวิ่งไปมาอยู่วิ่งไปมาแต่ก็พอเดินหวอยู่อ๋ออืม พิธีถ้าแก้ฟุ้งทำยังไงถ้ามันฟุ้งไปเรื่องน้น่งนี้ทำยังไงก็กลับมาที่ตรงอืมเพลินานไมไมยังไม่อยู่นานเกินเหตุคือยังน้อยกว่าที่เคยฟุ้งแล้ว ห, ง, หงุดหงิดไหมละฟุ้งไม่ได้หงุดหงิด่เออถ้างั้นไม่เป็นไรคนบางคนเวลาฟุ้งแล้วไปคิดต่อมันก็ยงดหงุดหงิดนีน้เป็นได้ยังไงเป็นยังไงเนี่ยเด้งกลับมาใหม เป็นเรื่องปกติให้เหมือนเราเหมือนคนที่เขาฝึกฝึกลูกวัวอย่างที่อบอกจะไม่ได้ไปกังวลหรือจะพุ่งไปอะไรไปเป็นเรื่องปกติที่ถ้าไม่พุ่งนี่แปลกถ้าพุ่งนี่เป็นเรื่องปกติก น, กตนั้นก็พยายามวเวลาพุ่งก็ดึงกลับมาใหม่ดึงกลับมาใหม่วิธีการเป็นแบบนี้ กำลีกุงไหมกงนะคะลกวัวิ่งใหญ่แล้วเท่าไน็เลยเรไมียคิดถึงภาษารือดื่ถึงเลื่อถึงางภาษาเรือจะไปรียนิพานราะไปเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไงอเคเป็น่ถึงตรงนั้นาน้าาาความอยกที่มีต่อพระพุทธเจ้าเราแม่น้องนะ เราคือรักแล้วลจะทุ่มเทไงันกลับมาเยอไดไหมแก้ได้นแก้แก้ได้ไดจ้ะค่ะแต่ว่าแต่ว่ามังเงนเยอะมากบางทีบางทีบางทีเราไปคนะิดต่อมันไปเลยเนียบางครั้งดึงให้ดึงกลับมาใหม่ตั้งความรู้สึก ว, ว่าเออเราเวลาไปปุ๊บ บรรลุตัวกลับมาดึงใหม่แล้วให้มีความรู้สึกชื่นใจกับการที่ได้ดูลมมากกว่าที่จะไปเชื่นใจในเรื่องพงหรือชอบที่จะพุงเวลาดึงกลับมาปุบ ก, ก็มารู้สังเกตดูว่าโอเวลาเรามาดูที่ลมถามว่ามันจะพงช่วงไหนเวลาปวดมากๆพงมันหมช่วงไหนที่มันพงถ้านั่งสบายพงมหม ลมเยอะที่จริงบางทีมันจะแก้ได้ตอนที่มันปวดเวลาทุกขเวทนามามากมันไม่ไปทั้งอื่นเลยเลยนะี่ยจะเริ่มวนๆอยู่แถวนี้แล้วก็ดูลมไปดูลมที่ในตรงนี้อ่ะบางครั้งในความที่ใจใจที่จะจดจ่อกับลมเนี่ยบางครั้งมันน้อยเจตจำนงจงใจตั้งใจที่จะให้จิตรวมเป็นหนึ่ง บางทีก็ต้องบอกจิตเราบอกว่าจิตเนี่ยบอกง่ายนะบางทีลองถามบอกว่าหยุดฟุ้งได้แล้วบอกเขาอย่างนี้นะเห็นไหมถ้าพุ้งแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับจิตก็จะไม่มีแข็งแรงจิตก็จะไม่มีพลังจิตก็จะไม่อิดยิ่มจิตก็จะไม่ตั้งมัน่นฉะนั้นวาลา น, นี้ เราต้องการทําจิตให้แข็งแรงให้ตั้งมั่นอย่างที่ตั้งใจไว้ไม่ใช่หรือพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าจิตตั้งมั่นแล้วจะรู้ชัดตามความเป็นจริงถ้าพ so cool. ุ <right. S 1> ãos, ่งสร้างอย่างนี้จะตั้งมั่นได้อย่างไรพอกล่อมนิดหน่อยะเขาจิตก็จะเชื่อมจิตจิตเดียวก็บอกง่ายจิตจะนิ่งตอนที่ฟังรล้วจานมากกว่าตอนที่นั่งหลับได้คือตอนนั้นไม่ไปไหนเลยตอนนั้นนิ่งตามได้แน่นเลย แต่พอพระอาจารย์หยุดแล้วเราหน้าหลับตาแล้วพันธุนี้มันก็เริ่มมีบัวมีหลักพอเป็นหลักและเอ้ะอะไรเป็นหลักลมเป็นหลักพอลมเป็นหลักพอรู้สึกคือมันไม่มั่นคงมันเห็นอันหนึ่งคือมันมีข้อสงสัยว่าอืเวลาที่รูปบัวคือจิตแล้วก็สติคือชื่อหลักที่ดึงแต่หลักของเราเนี่ยมันเลื่อนเพราะว่านลมเป็นหลัก พอมันเห็นลมเป็นหลักวนะ้ามันมีความรู้สึกว่าหลักลมนี่อยที่ข้อหลักเราเข้าหลังลงกเราออกอันนี้ที่ทําให้จับได้เลยอ๋อจริงๆเราไม่ได้ไปวิ่งตามลมไม่ได้วิ่งมันอยู่ที่จุดกระทอบอย่างเดียวหลักมันอยู่ตรงนี้มันไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาแเนี่ยทำผิดคือวันนี้วิ่งตามเนี่ยถ้ามันตามไปตามเข้าไปตามออกมานนี้ก็เนี่จริงๆก็จุดที่ลมกระทบเข้ากระทอบออกอยู่แค่ตรงนี้เอง ไม่มีจุดเดียวแค่นั่นเองมันไม่ได้ตามเข้าไปข้างในลยใช่ไหมแต่แล้วลมมันว EN> ิ่งคือมันมันเลื่อนอเอจริงจริงจริงจริงเหมือนเหมือนตรงนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะเวลาลมมันวิ่งมามันก็อ e ยู่แค่ตรงเนี้ยเข้ามันก็อยู่แค่ตรงเนี้ยมันไม่ได้วิ่งเข้าไปวิ่งมันวิ่งเข้าไปก็เรื่องของมันแต่เราดูแค่จุดเดียวหลักคือตรงนี้ไม่ไม่ใช่ไปเอาความรู้สึกไปดูเข้าออกเข้าออกไม่ใช่ ที่ครู้สึกว่าเข้าก็รู้อยู่ในใจแต่จริงๆก็คือมนันนาฏการอยู่ที่จุดเดียวแต่ไม่ได้ไปเพ่งแรงหลักคือตรงนั้นมันยากหน่อยเพราะว่าจริงๆก็คือบางครั้งเราไม่ได้ทําต่อเนื่องเท่านั้นคนที่ทําประสบความสําเร็จแค่วันแรกประสบความสําเร็จเนี่ยหาไม่ใช่ง่ายเลยลองทําติดต่อทีติดต่อ นะเดี๋ยวหนะี้สุดจริงๆใจจะชอบเหมือนเหมือนนั่งถ้านั่งให้ไปคิดเรื่องอื่นยังไม่ค่ชอบต่อไปจะชอบที่นั่งดูลมมีความสุขมากกว่ามันจะมันจะติดแล้วมันจะเริ่มมีความสุขมันรู้สึกว่าการอยู่สงบมันมีความสุขมากบางครั้งไปรู้เรื่องอื่นมากๆ ม, ม, มันกลายเป็นภาระของใจมันเป็นอย่างนั้นเลยนะ ถ้าสมาธิมันเริ่มเริ่มดีขึ้นจะไม่ค่อยและเวลาจะรู้เรื่องอะไรก็จะเลือกที่จะรู้เช่นอารมณ์ใดที่เราไปเสพคุณแล้วมันทำให้เราฟุ้งซ่านจะไม่เอาอารมณ์ใดที่ไปเสพคุณแล้วทำให้กำหนัดขัดเคืองก็ไม่เอาอารมณ์ใดที่ไปเสพคุณแล้วทำให้เราลังเลสงสัยก็จะไม่เอาในเข้ามันจะตัดตัดตัดแต่จะรู้ก็รู้แบบระวังเขาเรียกว่าวเริ่มระวังตัวเป็นเพราะเรารู้ว่า มันเหมือนเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆมันจะระมัดระวังมากเหมือนเราไปกินอาหารไปหากินอาหารเหมือนเนื้อใช่ไหมเที่ยวบอกว่าเนื้อเนื้อเวลาไปกินอาหารมันจะมีกับดักจะมะีมันจะมีในพานเอากับดักมาดักไว้เอาแล้วมาดักเอาไว้เอาเครื่องดักสัตว์มาดักเอาไว้สัตว์ที่ฉลาดเขาจะไม่เอาคอศี่สะเข้าไป ในกับดักนั้นเขาจะไปนั่งทับบ่วงนั่งทับบ่วงก็กินอาหารที่นายพานก็ามาลอ่อเสร็จแล้วก็เดินออกมาปลอดภัยใช่ไหมแต่เนื้อที่ไม่ฉลาดใจมันมุ่งไปที่อาหารมันไม่ชานฉลาดมันก็จะเอาหัวสอดเข้าไปในบ่วงพอทําท่าจะกินปุ๊บบ่วงมันก็ลั่นมันก็ตนเองก็เสียอาหารเวลาเราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆมันเหมือนอะไร มันเหมือนกับเราเข้าไปเอาศีรษะเข้าไปในบ่วงของในพาณิชย์นั้นจะชาญฉลาดทุกเรื่องเลยแต่นี้เวลามีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นสิ่งรล้าต่างๆเกิดขึ้นมาพบเวลาจะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเนี่ยสติสัมปชัญญะจะมาแล้วเราจะเกี่ยวข้องแค่ไหนอย่างไรเช่นมีเรื่องลูกน้องมีเรื่องเพื่อนมีเรื่องบ้านเรื่องทรัพย์เรื่องบุตรเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลา ไปเกี่ยวข้องปุ๊บเราไม่ร ะ, ะวังมีสติสมัมปชัญญะไปมีเรื่องอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาก็จะไม่ไปพวดเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนโอ้โหมันไปแบบดิ่งเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บไปเลยสังเกตุไหมมันจะไปแบบไม่ระวังเหมือนเหมือนเหมือนเนื้อเวลาจะไปเห็นไปไปเห็นในเห็นในอาหารที่ในพานอำมาลอกเอาไว้มันไปทันทีไม่สนใจทิศทางนะ มันวิ่งเอาศีษะสอดเข้าไปปุ๊บทำได้จะกินพุ๊บบวงเหมือนกันลันก็ถูกก็ตายฉะนั้นคนที่ฉลาดในอารมณ์ฉลาดในสภาพสังคมสิ่งแวดลอ้อมเขาจะมีสติสัพชัญญาในการกำกับตนเองตลอดเวลาเวลาจะมองเรื่องอะไรจะเกี่ยวข้องอะไรก็จะมีคือมีความสุขในการที่จะศึกษาเรียนรู้เลยนะแต่จะไม่จะไม่ถูกดูดไปทั้งหมดบางคนที่เวลาจะทาเรื่องอะไรมันถู ก, ถก เผลอดูดพุ๊บไปเลยแล้วก็ไปเลยเป็นเนื้อเป็นตัวกันเลยตอนนี้เนยมันรู้ตัวออกทีโอ้โหเสียหายไปหลายแสนแล้วคือคือจะไปแบบแบบเข้าใจพอมองออกยังไงเช่นอย่างอย่างออยอมอยู่อยู่นี่อยู่ที่สวนเนี่ยก็อยู่กับลูกน้องใช่ไหมถ้าเกิดลูกน้องทำกระถามแตก อ้ถ้าหากว่าไม่ระมัดระวังใจเนี่ยมันจะไม่ยิดเึี้ยนเลยใช่หหรือไอ้ต้นเฟินเนี่ยล้มหรือคนทำไม่ดีอะไรเงี้ยโอ้โหมันไปหมดเลยใช่ไหมแต่พอมีสติสัมปชัญญะพวกมองโอ้เริ่มมองหาเหตุผลว่าเออเออใครไปทำล้มล้มเพราะอะไรมันจะไป ห, หาเหตุเออทำไมถึงเป็นอย่างนี้มันจะคุยเขาโดยมีสติสัมปชัญญะกำกับ แต่แต่ก่อนหนูโคงมันไปเลยมันกระถางกับเราเนะี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขึ้นมาใช่ไหมคือคือเขาจะเวลาอยู่ในบ้านได้พิจารณามีของนอกตัวนี่เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้กับทรัพย์ที่เคลื่อนที่ไม่ได้แผ่นดินมีทรัพย์เคลื่อนที่ไม่ได้แก้วแหวนเงินทองทั้งหลายเลยนี่เป็นทรัพย์ที่เคลื่อนที่ได้คือทรัพย์เหล่าเนี้ยใช่ไหม วัตถุสิ่งของเหล่านี้มันจะเริ่มพิจารณานะว่าถามว่าที่ว่าเป็นของเราเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่มันคิดอย่างนี้นะเออเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่สมมติว่าพ่อแม่ยกให้หรือเราไปซื้ออ๋อมันได้ตั้งแต่วันนั้นทีนี้ที่เป็นเนะี่ยมันเป็นโดยกาติกาด้วยกำลังบุญใช่ไหมด้วยกำลังกุศลนะทีนี้ถามว่า ทรัพ์เหล่าเนี้ยมันเป็นสมบัติผัดกันชมย่าเริ่มเข้าใจนะทีนี้ถ้าถามว่าเราถ้ามาเกี่ยวข้องทรัพย์เหล่านี้แล้วถ้าเราไม่ฉลาดไม่ฉลาดในการที่จะเข้าไปเศษคุณเรื่องเหล่านี้เราก็เสวยผลของบุญนั้นไม่ไม่ไม่เป็นบางคนเสวยผลของบุญมันเกิดจากบุญแต่เราไปใช้จิตที่เป็นบาปไปเกี่ยวข้องแปลว่าอะไร แต่ว่าเราเสวยผลของบุญผิดพลาดเนี่ยมันเกิดจากกําลังของฐานกุศลใช่ไหมสินกุศลใช่ไหมภาวนากุศลใช่ไหมเหตุมันดีนะที่มันได้ทราบมานี่อยแต่ทําไมเราไปเกี่ยวข้องมันด้วยจิตที่เป็นความโลภโกรธหลงทาไมไปเกี่ยวข้องมด้วยจิตที่เป็นบาปแสดงว่าเราไม่ชาร์ฉลาดในการรับผลของบุญนะจริงไม่จริงไงอนนนนน้นี้เริ่มไม่ฉลาดแล้วเริ่มไม่ดีแล้วทีนี้ ถ, ถ้าถ้าเสวยผลของบุญ ด, ด้วยด้วยสติปัญญาได้กําลังของกุศลในใจมันจะพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้มันมาด้วยกําลังบุญที่เราสั่งสมไว้และวทรัพเหล่าเนี้ยเราจะทิ้งไว้บนแผ่นดินหรือเราจะนําติดตัวไปอะไรมันเริ่มคิดเป็นเนะียมันนําติดตัวไปแบบไหนรู้ไหมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะให้ลูก เราก็ให้ด้วยว่าเอออันนี้เป็นบุญของแม่นะแต่แม่เนี่ยจะต้องทําหน้าที่ในการในเรื่องของสีในการที่แบ่งปันแต่ฉันจะแบ่งปันด้วยกุศลนะจะไม่แบ่งปันได้อกุศลถ้าแบ่งปันด้วยกุศลก็คือแบ่งปันได้จิตที่เป็นกุศลใช่ไหมล่ะได้จิตที่เป็นกุศลได้ฌานสละแล้วพรเจ้าบอกไว้ว่าทรัพย์ที่ได้มาแล้วเนี่ย เอามาดูแลบุตรหลานญาติพี่ให้เป็นสุขดูเดูแลตนเองให้เป็นสุขดูแลบุตรหลานญาติพี่ให้เป็นสุขบุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นสุขบางส่วนก็เอาทําความดีถ้าเราทําอย่างนี้แปลว่าเราได้เจริญกุศลใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่ามันให้แบบไม่มีไม่มีข้อมูลความรู้เลยให้แบบยึดติดดิฉันให้เธอเนาะอันนี้เป็นของฉันนะ ที่ให้แบบปรเภทที่ใจที่ไม่เป็นกุศลมันไม่เป็นกุศลนะแต่เรา ช, ชาญฉลาดในการที่เอาแล้ทรัพเหล่าเนี้ยเราจะให้ลูกในฐานะที่เขาเกิดมาเป็นฐา ย, ยากถ้าไม่ให้ผิดศีลเนี่ยได้จารีศีลด้กําลังของกุศลเร า, เราต้องให้เถอะแต่ในขณะที่ให้เนะี่ยก่อนให้ก็ดีใจค่ะขณะให้ก็เรื่อมายให้แล้วก็เพื่มใจว่าเราได้ ดำเนินไปตามแบบอย่างของอริยชนแล้วนาะจริงไหมคืออริยชนเขาดูแลบุตรหลานญาติมิตรกันอย่างนี้เขาแบ่งปันทรัพย์อย่างนี้เราก็จะให้ทรัพย์เขาในฐานะที่ให้เป็นทานกุศลของเราเป็นศีลกุศลของเราเป็นปัญญากุศลของเราแล้วได้แจกจ่ายแล้วได้ให้แล้วได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เราได้ให้ทรัพย์นี้แก่บุตรหลานญาติมิตร และบางส่วนเราได้ทํากุศลทําความดีเพื่อใช่ไหมถ้าเราให้อย่างนี้ทรับนั้นมันติดตนนะมันจะติดตนเราไปนะแต่ถ้าให้อีกอย่างให้แบบประเภทอีกอย่างมันจะไม่ติดนะเช่นไม่ได้ใจที่เป็นใจเป็นอกุศลใจที่เป็นบาปแบบความยึดติด <laughs> เห็นไหมว่าคนบางคนไม่สามารถเอาทรับติดตัวเลยยงแหวนเริ่มมองเห็นไหม เพราะว่าจริงๆการให้แก่ลูกมันเป็นกุศลถ้าจะให้กุศลมีกําลังหน่อยเอะลูกวันนี้แม่จะแบ่งทรัพย์นะลูกช่วยสมาทานศีลนี่เต็มที่หน่อยได้ไหมพระเจ้าบอกให้ทานแก่ผู้มีศีลมีผลมากมีนิสสงมากหรือ ว, วันนี้แม่จะแบ่งนะพ่อจะแบ่งนะอ่ะสมาทานศีลหนะ่อยให้เขาสมาทานโอ้โหให้ทานแก่ผู้มีศีลเขาอยากใหยังแบ่งนี่ยเดี๋ยวเล่นแบ่งนี่ยแบ่งให้ลูกเนี่ยัง ะะเออในแหละไปบอกเขามีลูกกี่คนสองคนพอดีแล้ว <c oughs> บอกวันนี้ช่วงที่ฉันจะแบ่งในช่วยสมาทานศีลให้เต็มที่ไหน่อย <c oughs> จะได้ให้ทานแกผู้มีศีล <c oughs> ก็ใหญ่ยังแล้วเนี่ยทรับเนี่ยฉันหามาด้วยความหมั่นดิเร็วแรงด้วยกําลังอย่างอาบเหงื่อตามน้ําได้มาโดยทําเป็นของชอบทำหรือฉันได้มาจากกาลังบุญมรดกอะไรก็ได้แต่อันนี้มันเป็นผลบุญที่ฉันมา วันนี้ฉันจะให้ทานฉันจะจำฉันจะเดินตามทานกุศลศีลกุศลตามแบบอย่างของอริยชนบอกเขาอย่างนี้เนึ่ยฉันเธอจะรับทานรับรับมรดกของฉันนีช่วยสมาทานศีลให้ฉันชื่นใจงดเว้นจากการฆ่า ง, งดเว้นจากการลักพราวก็สมาทานเป็นเสกอ้าวฉะนั้นฉันจะแบ่งเนี่ยคนอาจจะได้มากหรือได้น้อยคุณคุณคุณไม่ควรมาตําหนิฉั น, เ, นเพราะอะไรรู้ไหม มันเป็นของฉันคุณอาจจะได้คนนี้อาจจะได้น้อยคนนี้อาจจะได้มากมันไม่สามารถจะเท่ากันได้หรอกทำยังไงก็ไม่เท่าลองตัดบิกแบงครึ่งออกมาแล้วขายที่นะไม่ขายได้ก็ไม่เท่ากันเพราะบุญคุณไม่เท่ากันกาลังกุศลของคนต่างสมมาไม่เหมือนกันมันมันเป็นของฉันเหมือนฉันมีขนมเนี่ยขนม มันอาจขนมนี้มันอาจจะดีเอ๊เนี่ยทําขนมมาชิมหนึ่งเนี่ยคุณรู้ได้ยังไงว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีวิตามินเท่ากันคุณไม่สามารถจะรู้ได้ฉันตัดเนี่ยฉันอาจจะตัดเท่ากันก็จริงแต่ไอีตัววิตามินเนี่ยที่ไปหล่อเลี้ยงร่างกายไม่เท่ากันอาจจะมีไม่เท่ากันด้วยนะไม่ใช่แค่นั้น น, นนะเมือร่างกายของคุณก็ไม่สามารถจะดูดซึมวิตามินเข้าสู่ร่างกายได้เท่ากันด้วย มันไม่มีสามารถจะทําให้เท่ากันได้หรากคุณต้องเข้าใจความจริงของชีวิตตรงนี้ก่อนนะถ้าคุณจะรับทานเุณจะรับจะรับมรเดกเข้าใจอยางเอเมนี่เราพูดอย่างนี้เขาก็จะอ๋อก็เข้าใจเรามีหน้าที่ฉันจะทําหน้าที่ตามทานกุศลของฉันศีลกุศลนั้นตามแบบอย่างของอริยชนทําแล้วฉันชื่นใจที่ฉันให้แบบนี้เป็นทานกุศลเพราะฉันยาวทรัพย์นี้ติดตนไปในอัตภาพทุกอัตภาพที่เกิดจนกว่าจะพ้นทุกข์ ฉันถือรับทานฉันก็ให้ทำยังแหวนได้ทำงี้ไหมตอนแบิคแหวนเสียดายไม่ได้ <c oughs> <c oughs> แบงค์ไว้แล้วได้กำไรใช่